พระไตรปิฎกเล่มที่39พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่หพระพิธรรมปิฎ ก, ม 6, มกยมกภาคสองขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจิตตยมกอุทเทศหนึ่งสุทธจิตตสามัญญะหนึ่งปุกคาวานหนึ่งอุปาธนิโรธการลัมเพทวานหนึ่ง จิตของบุคคลใดกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็จกดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดจกดับไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดแต่กําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกดับแต่จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จกดับแต่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิด แต่กําลังดับมีไหมฟังคําอธิบายข้อหกสอุปปาทุปันนวาน 2. องจิตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม ฟังข้อทำรี่หี่ 6.4 3. นิโรธุปันนวาน 3. จิตของบุคคลใดกําลังดับจิตของบุ้คลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตของผู้คลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุ้คลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหม ฟังข้อทำหกสิบาสี่อุปาทวาร 4. จิตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดและเคยเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมฟัง ข้อทาม6กสจิตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ67 6. จจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหม จิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟงังข้อหกสิบปนิปโรทวาร 7. จจิตของบุคคลใดกำลังดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็กาลังดับใช่ไหม จิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ไม่เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับมีไหมฟังข้อ69 8จิตของบุคคลใดกําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม จิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมฟังข้อ70็กจิตของบุคคลใดเคยดับจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมฟังข้อ71 6. อุปาทนิโรธวาน 10. จิตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตของบุ้คลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตของบุ้คลใดเคยดับจิตของบุ้คลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตของบุ้คลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตของบุ้คลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยดับจิตของบุ้คลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมฟังข้อ72 11จิตของบุคคลใดกําลังเกิด จิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดจักดับจิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ73็ดิบสจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหม จิตของผุ้คนใดจักดับจิตของผุ้คนนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตของผุคคนใดไม่เคยเกิดจิตของผุ้คนนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมจิตของผุคคนใดไม่ใช่จักดับจิตของผุคคนนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟังข้อ74 7. เจ็ดอุปัชมานิโรธวานสิบสามจิตของผุ้คนใดกำลังเกิดจิตของผุคคนนั้นก็ไม่ใช่กาลังดับใช่ไหมจิตของบุคลใดไม่ใช่กำลังดับ จิตของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตของบุคคลใดกําลังดับจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ75 8. อุปัจชมานุปันนวาน 14. จิตของบุคคลใดเกิดอยู่จิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหม จิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดอยู่จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมฟังข้อ76 9ดิบนิรุชมานุปันนวาน15จิตของบุคคลใดดับอยู่จิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ดับอยู่ใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่ดับอยู่ จิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมฟังข้อ77 10อุปันุปาทวาน16จิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม จิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วมีไหมฟังข้อ78จิตของบุคคลใดเกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมฟังข้อ79 11 ตาตีตานาคาตะวันสิจจิตของบุคคลใดเคยเกิดจิตของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดจะเกิดจิตของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตของบุคคลใดไม่เคยเกิดแต่จิตของบุคคลนั้นไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดมีไหม จิตของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดแต่จิตของบุคคลนั้นไม่ใช่ไม่เกิดแล้วจิตของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟังข้อ80 12. ิบสิบสอุปนุปปชมานวาน 18. จิตที่เกิดแล้วก็ชื่อว่าเกิดอยู่ใช่ไหมจิตที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าเกิดแล้วใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่เกิดแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่า ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมฟังข้อ81 13. นิรุท ธ, ธะนิรุชมานวาน 19. จิตที่ดับแล้วก็ชื่อว่าดับอยู่ใช่ไหมจิตที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าดับแล้วใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่ดับแล้วก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมจิตที่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ชื่อว่าไม่ใช่ดับแล้วใช่ไหมฟังข้อ82 14อติกันตกาลาวาน ยีจิตของบุคคลใดล่วงไปทุกๆขณะที่เก oh no ิดอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดล่วงไปทุกๆขณะที่ดับอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมจิตของบุคคลใดล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้ว จิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่ดับอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมจิตข อ, องบุคคลใดล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่ดับอยู่ชื่อว่าล่วงการแล้วจิตของบุคคลนั้นล่วงไปทุกๆขณะที่ไม่ใช่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าล่วงการแล้วใช่ไหมฟังข้อ83อุทเทศแห่งปุก ค, คลรวานจบหนึ่งสุทธจิตตสามัญญะสองธรรมวานหนึ่งอุ ป, ปาทนิโร ธ, ธกาลสัมเพทวาน ย1 21. จิตใดกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นก็จกักดับไม่ใช่ จ, กจกักเกิใก ด, กดใช่ไหมจิตใดจักดับไม่ใช่จักเกิดจิตนั้นก็กําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กําลังเกิดแต่กําลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับแต่จะเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จักดับแต่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดแต่กําลังดับมีไหมฟังข้อ84 2>, 2. อุ ป, ปาทุ ป, ปันนาวาน 22. จิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดเกิดแล้วจิตนั Actually, schön, u, fried, ้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ85 3. นิโรธุปันวาว 23. จิตใดกำลังดับจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็กาลังดับใช่ไหม จิตใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมฟังข้อ86 4. อุปาทวาร24จิตใดกําลังเกิดจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม จิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมฟังข้อแปดสิบเจ็ดยี่สิบห้าจิตใดกําลังเกิดจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดจะเกิดจิตนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมฟังข้อแปดสิบปดยี่สิบหกจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดจะเกิด จิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟังข้อ89 5. นิโรธวาร27จิตใดกําลังดับจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดเคยดับจิตนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหม ฟังข้อ90้8จิตใดกําลังดับจิตนั้นก็จะดับใช่ไหมจิตใดจักดับจิตนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมฟังข้อเก้าจิตใดเคยดับจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตใดจักดับจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหม จิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จากดับจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมฟังข้อ92 6. อุปาทิโรธวาน30จิตใดกําลังเกิดจิตนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดเคยดับจิตนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตใดไม่เคยดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ93 31. จิตใดกำลังเกิดจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตใดจักดับจิตนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ9ก 32. าสจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตใดจักดับจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม จิตใดไม่ใช่จำลังดับจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟังข้อ95 7. อุปัชฌมานานิบรทวานสามสิามจิตใดกําลังเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตใดกําลังดับจิตนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ96 8. อุปัชมานุปันนาวาน34จิตใดเกิดอยู A, v. V. V. ่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดอยู่จิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหมฟังข้อ97 9. าิบเจ็กมีรุมานุปันนาวาน35จิตใดดับอยู่จิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหม จิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็ดับอยู่ใช่ไหมจิตใดไม่ใช่ดับอยู่จิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมฟังข้อ98 1 0สปอุปนุปาทวาน 36. บจิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดเคยเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม จิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมฟังข้อ99จิตใดเกิดแล้วจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดจะเกิดจิตนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมฟังข้อหนึ่งร้อตีตานาคตาวาน37 จิตใดเคยเกิดจิตนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดจะเกิดจิตนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดไม่เคยเกิดจิตนั้นมิใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟังข้อ1นึ่งอุปอ็ดนุปัตชมาณวาน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 1>, 1สุดท่าจิตตสามัญญะสปุกคะธรรมวาลหนึ่งอุปาธนิโรธกาลสัมเพทวาล41จิตใดของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จกดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจกดับไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดไม่ใช่จะ ก, กำลังดับใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดแต่กําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับแต่จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จากดับแต่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดแต่กําลังดับมีไหมฟังข้อ1นึ่อุปาทุปันนวาน42จิตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ1นึ่นิโรทุปนานสีจิตใดของบุคคลใดกำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เคยเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมฟังข้อ107 4. อุปาทวาน44จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ1 0ึ่งรจิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมฟังข้อ1นึ่งจิตใดของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมฟังข้อ1นึ่นิโรธวาน47จิตใดของบุคคลใดกําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดไม่เคยดับจิต er, นั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมฟังข้อ11ึ4 8จิตใดของบุคคลใดกําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหม ปังข้อหนึ่งจิตใดของบุคคลใดเคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่เคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมปังข้อ113 6. อุปทาทนิโรธวาน50 จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่เคยดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม51จิตใดของบุคคลใดกําลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหม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 จิตใดของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดกำลังดับจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม 8. อุปัชมานุปันนาวาน 54. จิตใดของบุคคลใดเกิดอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดอยู่ใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดอยู่ใช่ไหม 9. นิรุตชมานุปันนวาน55จิตใดของบุคคลใดดับอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ดับอยู่ใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดไม่ใช ah ่ดับอยู่จิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ดับอยู่ใช่ไหมสิบอุปันุปาทวาน 56. จิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เกิดแล้วใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดเกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม จิตใดของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เกิดแล้วใช่ไหม11อตีตานาคตวาส57จจิตใดของบุคคลใดเคยเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดจะเกิดจิตนั้นของบุคคลนั้นไม่ใช่เกิดแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหม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 อติกันตะการาวาล60จิตใดของบุคคลใดร่วงไปทุกๆขณะ ท, ที่เกิดอยู่ ช, ททย ช, ช, ททยชื่อว่าร่วงการแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นร่วงไปทุกๆขณะที่ดับอยู่ก็ชื่อว่าร่วงการแล้วใช่ไหมจิตใดของบุคคลใดร่วงไปทุกๆขณะที่ดับอยู่ชื่อว่าร่วงการแล้วจิตนั้นของบุคคลนั้นร่วงไปทุกๆขณะที่เกิดอยู่ก็ชื่อว่าร่วงการแล้วใช่ไหม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 2สุดตันตจิตตมิสกกวิเศษหกสิบเจิตมีราคะของบุคคลใดกำลังเกิดละจิตปราศจากราคะของบุคคลใดกำลังเกิดจิตมีโทสะของบุคคลใดกำลังเกิดจิตปราศจากโทสะของบุคคลใดกำลังเกิดจิตมีโมหะของบุคคลใดกำลังเกิดจิตปราศจากโมหะของบุคคลใดกำลังเกิดละจิตหดถูของบุคคลใดกำลังเกิดละ จิตปุ่งร้างของบุคคลใดกําลังเกิดละจิตเป็นมหคตะของบุคคลใดกําลังเกิดละจิตไม่เป็นมหคตะของบุคคลใดกําลังเกิดละจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าของบุคคลใดกําลังเกิดละจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าของบุคคลใดกําลังเกิดละจิตเป็นสมาธิของบุคคลใดกําลังเกิดจิตไม่เป็นสมาธิของบุคคลใดกําลังเกิดจิตหลุดพ้นแล้วของบุคคลใดกําลังเกิด จิตไม่หลุดพ้นแล้วของบุคคลใดกําลังเกิดละฟังข้อหนึ่อภิธรรมะจิตตะมิศกวิเศษ62จิตที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดละจิตที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดจิตที่เป็นอัพยากริตของบุคคลใดกําลังเกิดจิตที่ปทำประโยชน์ ด, ด้วยสุขเวทนาของบุคคลใดกําลังเกิด ในพึงเล็พึงยกบาลีอุเทศโดยวิธีนี้ตลอด perder, จนถึงจิตที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้และไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้จิตที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ของบุคคลใดกําลังเกิดไม่ใช่กําลังดับจิตที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ของบุคคลนั้นก็จกดับไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมจิตที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ของบุคคลใดจกดับไม่ใช่จะเกิดจิตที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ของบุคคลนั้นกําลัง ก็กำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมข้งข้อ115อุเทศแห่งมิตรสกวานจบอุเทศสวานจบ